นั่งตามสบายคนที่นั่งเก้าอีก้ก็ถ้าอยากต่อสู้ก็ลงจากเก้าอี้ถ้าไม่ต่อสู้ก็นั่งที่เก้าอี้นั่นแหละนั่งเตรียมท่าของใครของมันนั่งแล้วห้ามเปลี่ยนท่าต้องให้มีสัก์จะ นี่สัจจะในการนั่งสนัดสัสจจะบารมีก็จะช่วยให้เราได้เห็นความจริงขันติบารมีก็จะช่วยให้เราลู้ความจริงออกถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเราก็ไม่เข้าถึงความจริงก็ได้แต่ความจำครูบาอาจารย์ดรงนั่นเทศว่าอย่างนั้นอย่างนี้ในพระไตรปิฎก ว, ว่าอย่างง้นอย่างนี้ ทุกวันนี้เขาไปเถียงกันในโทรศัพท์นั่นเถียงกันในทีวีนั่นเถียงชนะก็ดีใจเราทำของเราแก่มากแหละคนที่แพ้ก็เสี ย, ยใจเป็นอ่านมาเยอะ ก, ก็มาเถียงกันอีกสุดท้ายก็เอาแต่ชนะกันอย่างนั้นไม่เอาชนะตัวเองสักทีเลยวันนี้ลงพ่อก็ได้มาครั้งที่สองแล้วเนาะทีโอทีเนาะใช่ไหมหรือเปลี่ยนชื่อน่ะ เปี่็นเอครับส่วนบุญคองแผ่ชาโอเปลี่ยนเป็นออกจากทีไอทีเป็นเอทีมาปีหน้าจะเป็นอะไรอีกนาะทีนี่อ่าแล้วก็มาครั้งที่สองเนี่ยน้อก็ขออนุโมทนาส่วนบุญกุศลกับชมรมชาวคุทธวันหน้าชมรมก็นั่งอยู่นี่นะยังหนุ่มๆเลยอันนี้เป็นประธานชมรมอันนี้เป็นอนุประธานเนี่ยใช่ไหมเนี่ นี่เป็นประธานคนเดิมครับโอ้ประานคนเดือนเอ้าแม่กเกษียณเลยเลยเสียอดปีแล้วครับเกษียณโอสสวนมากเกษียณนึกว่าตาย <c oughs> อันนี้กเกษียณยังมีชีวิตอยู่ก็ดีนะเ <c oughs> ลยรักษาพันเอาไว้พันเียพันของความดีคำว่าประธานก็คือเสียสละมมากกว่าคนอนื่นอย่าง น, น้อยๆก็ต้องให้คนอื่นได้รับความรู้ความเข้าใจ ในสิ่งที่ดีๆที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้บางแง่บางมุมบางโอกาสอุบายจาร์แต่และองค์ก็วาสนานิสัยต่างกันอาจจะมาพูดให้เราฟังมาเทศนาให้เราฟังตามวาสนานิสัยของท่านเราก็อย่าไปตัดสินว่าท่านถูกหรือผิดเราก็มาตัดสินตัวของเราเองดีกว่าถึงจะได้ถูกต้อง <c oughs> ถ้าเราชอบ ในสิ่งไหนถูกใจครูบาอาจารย์ดวงใดก็ถือว่าเราได้สร้างวัสนารรบารมีหรือบําเพ็ญมาเหมือนกับท่านก็เข้าใจได้แต่ธรรมะคำสอนของเจ้าเป็นกลางกลางกลางคือหลักธรรมชาติแต่วัสนานิสัยของภาษาวกอาจจะบําเพ็ญมาต่างกัน มุมเพนมาต่างกันอย่างหลวงปู่ท่านก็มุมเพนมาอาจจะเป็นพิจารณาธาตุน้ำท่านก็เข้าถึงเรื่องเรื่องน้ำบางองอาจจะพิจารณาเรื่องธาตุไฟก็เข้าถึงธาตุไฟอย่างช ด, ดินสามพี่น้องไงท่านภาวนามาบูชาไฟพิจารณาไฟพระเจ้ายังเตอดตัดเรื่องไฟโทส่ายชีนามุหะชีนา ราคาชินาสามอย่างนี้ก็เป็นธรรมันเดียวกันคือความโลภโกรธหลงแต่พระเจ้าทำไมถึงยกไฟขึ้นมาแทนเพราะว่าให้เขา้าให้ผู้ที่ฟังเข้าถึงธรรมโดยง่ายอย่างสมัยขั้งพุทธการก็มีพระ อ, อะไรสองพี่น้องไงพระจุลกะ ก, ะกับพระมหาจุลกะ พระมหาจุลากาศเป็นพี่ชายพี่ชายได้สาเร็จเอาละหันแล้วสอนน้องชายเนี่ยพรรษาหนึ่งเต็มๆ เ, เลยน้องชายไม่ได้เรื่องปฏิบัติตามก็ไม่ได้เลื่องถ้ายกตัวอย่างว่าเอาฟุตโทพุตโธรได้ตั้งใจให้ดีน้องชายก็พุตโธรุตโธตามนั่นแหละพรรษาหนึ่งไม่ได้เลื่องไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขา อ, ออกพรรษามาพี่ชายถามมาเป็นยังไง ไม่ในเรื่องไม่รู้เรื่องเลยทั้งนั้นดีก็ทำอยู่แต่ทำไมไม่รู้เรื่องเพราะวัสนาท่านไม่ได้ทำมาแบบนั้นพี่ชายก็เลยถ้ยางั้นก็วันนี้หมอชีวกจะนี่มว์ไปบินทบาทในบ้านไปชั้นเข้าในบ้านไม่ต้องไปกับเขาหลง อ, อยู่นี่แหละพี่ชายเป็นผู้เป็นผู้ไ อ, อ เรียบเรียงพระหมายเขาว่าเป็นผู้จัดพระนั่นแหละก็เลยมาให้น้องชายไปพระจุลกาก็เห็นพี่ชายไม่ให้ไปฉันเข้าด้วยก่อนเสียใจมากร้องไห้กูไ่อยู่หัวมันหนูกูจีนี้ไปเสือกแล้นั่นจะหนีไปเสืกแล้วไม่อยู่แล้วก็ร้องไห้เดินผ่านหน้า ก, กุติพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเลยถามว่าจุลกาเธอจะไปไหนไปเสือกพระเจ้าค่ะเอาทําไมเธอเธอถึงจะไปเสือขาเสียละ เอพี่ชายไม่ให้ไปฉันข้าวในบ้านกับเขาพระเจ้าจึงถามไปเงว่าเธอบวชมาเพื่อใครล่ะบวชมาเพื่อพระพุทธองค์บวชมาเพื่อเราจงมาหาเราเถิดให้จุลากาศก็ไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยมอบผ้าชิ้นหนึ่งให้เท่าฝ่ามือเนี่ยแหละขาวเป็นสําดีอ๋อให้พระเจ้าสั่งว่าเธอจงขยําไปแล้วก็กวาดตาดไปเถอะกวาดลานวัดไปนะขย่อมไป พระจุละกาก็ได้ผ้ากับที่พระเจ้ามอบให้มาก็กวาดลานวัดไปก็ขย่อมไปเงือก็ไหลทีเ่เอาเช็ดเงือว่างชี้หุ่นก็ปิ้วขึ้นมาผ้าก็เลยเศร้าหมองดําเส็จสุดท้ายก็เลยเอาผ้านะมาเช็ดเงื่อก็เลยดูผ้าโอ้ผ้พาผืนนี้พระพุทธเจ้ามอบให้มาเกี่ยนนี่ ขาสะอาดบานสำลีแต่เดี๋ยวนี้มาถูกร่างกายของเราเท็มทําไมถึงสกปรกขนาดนี้ล่างกายของเรามันสกปรกถึงขนาดนี้หรือพิจารณาน้อมเข้าไปสู่ร่างกายจิตของแกกระวบลงจิตรวมลงตัดกิเลสขาดปฏิสัมพิทายานันสมุขเขตประหารจิตรวมลงครั้งเดียวตัดกิเลสเป็นผ้าละหันประกอบด้วยอรพิญญาด้วยมีฤทธ กับใบกำใบมะขามขึ้นมาปฏิฐานแล้วก็ไม่ได้มีคาถาหรอกจิตในขั้นพะระอรหันต์เมียปัญญาด้วยโยนใบมะขามไปเป็นพาะจุลกะกรวดตัดช่วยกันเป็นร้อยองค์เขียนไหมเอ้ข้างในบ้านพระหมอชีวบอกว่าพระยังเหลือไหมพระเจ้าข่าผู้ดวงตัดว่า ยังเหลืออยู่องค์หนึ่งนะพระจุลกะไปเรียกเข้ามาด้วยคนใช่ก็วิ่งออกไปวิ่งออกไปก็เห็นพระกวาดลานวัดอยู่เป็นร้อยองค์อยู่เต็มลานวัดเลยวิ่งหน้าตายกลับมาโอ้ยแมนมีพระเป็นร้อยเลยพระเจ้าค่ะพระเจ้าแต่รับไปใหม่ไปเรียกชื่อไปเรียกชื่อพระเจ้าพระกพระคุณเจ้าจุลก ะ, ะเจ้าค่ะ พระทั้งร้อยองค์ก็ขานรับกันทั้งร่อยองค์ก็ไม่ได้ออกวิ่งกลับมาใหม่ก็ได้เจ้าตัดว่าเทย์จงไปใหม่ไปเรียกขานชื่อถ้าองค์ไหนรั บ, ข า, รบขานรับก็ให้จับชายจีวร อ, องนั้นไว้คนใช่ก็วิ่งออกไปอีกไปขานชื่อแล้วก็พอองค์ไหนขานรับก็จับชายจีวรไว้ทั้งร้อยองค์ก็หายไปก็ได้พระจุลกะ มาฉันเข้าในบ้านทำบทนี่หมายความว่าวาสนาที่ใส่น่ะถ้าไม่ถูกกับวาสนาจริงๆมันเป็นไปไม่ได้กิตไม่เปลี่ยนไปพระมหาจุลากาสอนน้องชายตั้งเดือนหนึ่งเต็มๆก็สามเดือนเต็มๆแล้วทำไมไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลยทั้งๆ ท, ที่พระพี่ชายก็เป็นพระอรหาัานต์ด้วย แต่พระพุทธเจ้ารู้จากสรรพสัตว์ทั้งหลายเที่ยวตายแถวเกิดสร้างบุญวัฒสนามบารมีมาอย่างไงก็มอบให้อย่างนั้นพุทธเจ้าแค่มอบผ้าขาวให้เธ อ, อไปกวาร้านวัดเดิดแล้วก็ขยําไปนั่นแหละสต่ถ้าก็จะ เ, เข้าไปในบ้านแล้วแค่นั่นแหละอุบายแช่นี้ทำให้พระจุลกะได้สําเร็จอรหรันประกอบด้วยปฏิสัมพิทาญาณ น, นั่นเห็นไหม เพราะฉะนั้นวาสนาบา ร, รมีของใครของมันคำว่าวาสนาเนะี่ะคือบุญเก่าเคยกระทำมาหลายชาติเมื่อมากระทำอย่างอื่นอ่ะมันไม่เข้ากันกับชาติอดีตชาติคือบุญเก่ามันเป็นไปไม่ได้แต่พอมีโอกาสได้มาทําเหมือนเดิมอ่ะมันก็เชื่อมกันเพราะฉะนั้นพระ ไอจุละกะเนี่ยตั้งแต่ชาติก่อนหลายร้อยชาติท่านเคยเป็นพระรายชาพระรายชาเนี่ยไปประพาสเมืองออกจากออกจากเมืองไปประพาสป่าเนี่ยพอกลับเมืองก็เขาเรียกว่ากดมนเทียนบานใช่ไหมต้องฉี่ช้างเลียบพระนครสามรอบถึงจะเข้าเมืองได้ตอนที่ฉี่ช้างอยู่นั่นน่ะพระเสืโทไหลคือเหงื่อไหลวันห่อว่าเหงื่อไหลมันแดดเด้ง แดดเผาแล้วก็เหงื่ อ, อไหลถ้าสับพระรลชาก็ผ้าเสพระเสโทไหลก็เอาผ้ามาเช็ดพระพักเอาผ้ามาเช็ดนาพอผ้ามาเช็ดพระพักเสร็จก็เลยมาดูผ้าโอ้ยผ้าเมื่อกี้เนี่ยขาวดุดส้ำดีพอมาถูกกับร่างกายของเราทำไมถึงเศร้าหมองสุกปวกถึงขนาดนี้ร่างกายของเราสุกปวกถึงขนาดนี้หรือ แกเป็นพระราชาแกพิจารณาเรื่องความสปกป่วยของร่างกายอยู่นั่นนะ่ะจิตนิ่งอ่ะพี่นะจิตกวูบลงในชาติสี่เป็นสมาธิตอนนั่งอยู่คอยช่างนั่นนะ่ะในชาตินั่นนะละวาสนาแกเคยจิตรวมคือได้กําลังสูงสุดแล้วในชาติที่เป็นพระราชาจะไม่ให้แกพุโทโธพุทโธหันเข้าหันออกอย่างเนี้ยดูลมเนี่ยมันไม่เป็นแกต้องพิจารณาความสปกป่วยของร่างกายคืออสุภะของร่างกาย จิตถึงจะเป็นไปคือบรรจุกันบรรจุอันนั้นคือวาสนาเพราะฉะนั้นวาสนานี่ของใครของมันแต่คำวมะคำสอนของกุฎเจ้าเป็นของกลางที่บุคคลใดจะหยิบไปฝึกหัดไปปฏิบัติได้ให้เข้าถึงได้โดยไม่เหลือวิสัยอย่างเช่นสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานอย่างนี้ ทำได้ตลอดเวลาแต่ต้องมีสมถะด้วยสองอย่างนี่ทำไมพุทธเจ้าจึงว่าสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเราทุกวันนี้มาบำเพ็ญก็ไปให้คะแนนอันนี้ว่าถูกไปให้คะแนนอันนี้ว่าผิดอยู่อย่างนี้ก็เลยไม่เข้าใจว่าสติปัฏฐานจะปฏิบัติแบบไหน น้องพ่อฉันก็พิจารณาอยู่นะักกา ย, ยานุปัสสนากายเป็นอย่างง่นอย่างนี่เทเวทนานุปัสสนาเวทนาก็เป็นอย่างง่นอย่างนี่ธรรมานุปัสสนาธรรมานี่เปลี่นเป็นอนันนี้จิตตานุปัสสนาก็พิจารณาอยู่นะอันนั้นไม่ใช่พิจารณาท่า น, า น, นคิดเอาคําว่าพิจารณามันต่างกันกันกบความคิดพระติเจ้าพระตเจ้าจึงทําไมถึงตัดว่าปัจจุบันธรรมเป็นธรรมอันบริสุทธ์ อตีตาธรรมาอนาคตาธรรมาปัจจุปนาธรรมาอาดีตเธอจงละเสียอนาคตเธอจงละเสียปัจจุปนาธรรมาเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งปัจจุบันรู้ยังไงเห็นยังไงให้รู้ตามความเป็นจริงอย่าไปตัดสินเขาอย่าไปตัดสินว่าอันนี้อนัตตาอนั น, นาตานัตาไม่ต้องไปตัดสินเพราะมันรู้มองหมดแล้วทํำใจให้มั่นก็พอ พยายามรู้ทุกสิ่งที่มันผ่านเข้าผ่านออกแล้วเลึกรู้อะไรสติปัฏฐานติวท่านว่าเดี๋ยวนี้จิตของเราเศร้าหมองหรือผ่องใสท่านว่าจิตตานุปัสสนาเดี๋ยวนี้จิตของเราเป็นบาปหรือเป็นบุญประกอบกับบาหรือบุญอารมณ์นั่นอันนี้ท่านว่าธรรมานุปัสสนาเดี๋ยวนี้จิตของเราได้รับสุขห ร, รือรับทุกข์อันนี้ท่านว่าเวทนานุปัสสนากายเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวรู้ สติปัฏฐานสี น, นรู้ในปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันไปเรื่อยเรื่อยเลื่อกรู้อ ย, อ ย, อ ย, อยู่เรื่อยสมถาใช่ไหมเราก็คิดว่าสมถะนี่ต้องนั่งเพ่งกับสินบ้างหรือนั่งพุโทโธ บ, บ้างสัมมาอรหังบ้างหรือจะเดินจงกรมเขาเรียกว่าสมถะอันนั้นเป็นรูปแบบไม่ใช่สมถะโดยเหตุ พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดว่าพวกเธอจงนั่งนะพวกเธอจงยืนนะพระพุทธองค์ตัดว่ายืนเดินนั่งนอนฟังให้ดีนะสมถะกรรมาฐานคือพวกเธอทั้งหลายจงเอาใจใส่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งฟังให้ดีนะไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่งนะจุดก็ได้แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งและ ประครับประคองในสิ่งนั้นให้นิ่งให้นานหมายความว่าสมถะนี่คือเอาใจเอาใจใส่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นเทียนคือไฟจะเป็นน้ำใช่ไหมเป็นดินเป็นลมอย่างเงี้ยคือดูลมให้ใจเขาออกใช่ไหมหรือบางคนก็เอาจจเอาการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ เป็นสมถะหมดแต่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้อยู่ในสิ่งเดียวสมมุติว่าเราจะเอาเอาอัฐิอย่างนี้เอากระดูกเอากระดูกแค่ท่อนเดียวก็ดูอยู่กระดูกแค่ท่อนเดียวรลวลึกกระดูกแค่ท่อนเดียวรลวลึกอยู่นั่นแหละเลลึกกันดับไปก็เลลึกใหม่แลดับไปก็เลลึกใหม่เป็นบาทฐานท่านว่าเป็นฐานของใจท่านจึงว่าสมถะกรรมฐาน ยืนก็ได้นั่งก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้อันนี้ก็เป็นสมถะกรรมฐานแล้วเราสำเร็จประโยชน์คือจิตของเราตั้งมั่นในอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราทำพพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพวกเธอทั้งหลายจงทำสิ่งนั้นให้มากจเจริญให้มากเถิด อ, อันนี้เข้าใจนะหลวงพ่อพูดเป็นกลางๆไม่ได้ไปเจาะจงวาสนาของใคร พวกเธอจงประคับประคองสิ่งนั้นทำให้มากจเจริญให้มากเถิดอันนี้เขาเรียกสมถะกรรมฐานเมื่อฝึกให้มากจเจริญให้มากแล้วจิตจะตั้งอยู่ได้บางทีก็ตั้งอยู่หน่อยหนึ่งท่านว่าขณิกะสมาธิตั้งอยู่ได้นานหน่อยท่านว่าอุปาจารสมาธิรวมกันเป็นหนึ่งเขาเรียกอัปปนาสมาธิถ้าภาษาธรรมเขาเรียกจิตรวมเป็นหนึ่ง ถ้าพูดเรี่ยงเชื่อก็ว่าเอกะคือหนึ่งขาตาคือจิตจิตเป็นหนึ่งไม่มีสองอย่างอื่นอย่างอื่นนันนี่เขาเรียกสมถะแต่ถ้าสมถะและวิปัสสนารวมกันไปพร้อมกันแหละ<ม>ก็เดินเข้ามรรคได้ในในครั้งเดียวบางทีก็หมดจิเทศได้ในครั้งเดียวเหมือนกับพระจุลกะนั่นแหละบางคนก็อย่างน้อยก็ได้พระโสดาบัน แต่พระสดาบันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พูดเรื่องชื่อมัอนกับพวกเราที่ว่าพระสดาบันต้องสะละสะกิลกละกะสะกยะทิฐิวิกิตจจิฐาศีละพัตา ป, ปรามาตอันนี้เป็นองค์พระมาสดาบนันนี่เป็นชื่อแต่การที่เข้าถึงนั่นนะเพิบเดียวไม่ได้มีชื่อคือการเข้าถึงเพราะฉะนั้น การฝึกการหัดปันปฏิบัติแล้วแต่ว่าสนาแต่ต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ชัดเจนขึ้นเป็นทำไมถึงทำให้ชัดเจนเพราะต้องทลายความหลงให้ได้ถ้าความรู้เด่นขึ้นความหลงก็ต้องจางไปในจุดจุดนั้นความรู้เกิดขึ้นความหลงก็หายไปแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็จางไป เป็นอยู่อย่างนี้ท่านว่าโมหะคือความหลงเมื่อความรู้ฝุดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งเด่นชัดขึ้นโมหะก็หายไปจางไปท่านว่าอาวิชาก็ได้วิชากเกิดขึ้นอวิชาก็จางไปเพราะฉะนั้นการทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนเมื่อแต่ยืนเดินนั่งนอนทำหน้าที่การงานไม่ต้องไม่ต้องไปโทษหรอกว่าหลวงพ่อฉันทำงานยังไม่มีเวลา หลานฉันยังไม่โตยังไม่เวลาให้ชั้นกเกษียณก่อนอันนั้นเราคิดเอาเองมันเป็ น, นกลไกของพญามารที่เขาขัดขวางสัตว์ทั้งหลายไม่ให้เดินไปสู่ความเจริญแต่สติปัฏฐานไม่มีไม่มีเครื่องกีดขวางไม่มีเว ล, เวลาอาการลิโกไม่เหลืกการไม่เรียกเวลาไม่เรียกสถานที่ยืดเดินดังนอน ให้หลวงพ่อถามหน่อยไอ้กิเลสมันเอาพิธีกับเราไหมมันมีเวลาไหมแม้แต่เรานอนหลับมันยังตามกว่าทืบเราในฝันเลยอย่าว่าแต่ร่างกายไอ้โดดๆนี่เลยเห็นไหมทุกคนเคยฝันไหมฝันเห็นสิ่งที่น่ากลัวก็วิ่งจนตับเรียบใช่ไหมฝันเหรียที่ฝันเห็นย่หรืผัวไปมีแม่หน่อยตื่นขึ้นตีนกระทืบมันต๊กเตียงเลยจั้งจีอันนั้นเป็นฝันทําไมมันถึงโกรธ ตื่นขึ้นมาเขายังโกรธอยู่เลยยังหลงอยู่เลยหลงโกรธเห็นไหมกิเลสมันมีมันมีชุดมันมีรูปแบบไหมมันมีเวลาเวาไหมมันมีพิธีไหมเพราะฉะนั้น พ, พระพุทธเจ้าจึงตัดทำที่ทันสมัยที่สุดคืออากาลิโกไม่เรียกการไม่เรียกเวลาไม่เรียกสถานที่ยืนเดินนั่งนอนปฏิบัติได้ตลอดเราจะรู้ไหมว่าเราจะอยู่ถึงพรุ่งนี้รู้ไหมไม่รู้ไม่มีใครรู้แม้แต่พระราชาก็ยังเลือกไม่ได้เลยว่าจะอยู่ถึงพรุ่งนี้ ขนาดมหาเศรษฐีมีเงินเท่าไหร่มีเครื่องบินมีรถมีเรือวิ่งสมุทรเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมเพราะฉะนั้นอาการิกธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่ทันสมัยที่สุดต่อสู้กับพญามารได้ทุกยืนเดินนัง่งนอนเพราะฉะนั้นส ม, มถะและวิปัสสนาเนะ่ไม่มีรูปแบบหรอกแล้วก็ไม่ไม่มีพิธีด้วยเป็นจิตานุปัสสนาเป็นจิตที่หมุนไปตามสติปัฏฐาน เมื่อสติของเราทำให้มากเจริญให้มากการจดจ่อหรือการการพิจารณารอบครอบในสิ่งที่มากระทบข้างนอกข้างนอกบ้างข้างในบ้างเหมือนกับพระเจ้ า, าตัดว่าอิทธาวาพระเหตทาวาพวกเธอจงรู้ทั้งในบ้างพวกเธอจงรู้สึกข้างนอกบ้างรู้ทั้งข้างในรู้ทั้งข้างนอกบ้างเป็นสติปัฏฐานข้างในก็คือความนึกคิดปุงแต่งที่มาสัมผัสกับใจ เพราะเรามีสติรักษาใจคือผู้รู้อยู่เนืองๆอยู่แล้วข้างนอกก็คือตาหูจมูกลื่นกายไปกระทบกับอายตนะไดกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสก็ให้รู้ทันแต่ยะไปตัดสินเขามาดูใจของว่าใจของเราวันไหวไหมเป็นทุกข์ไหมเสียดายไหมเป็นโศกเศร้าโศกกาไหมรู้ทันในสติปัฏฐานสี่ที่หลวงพ่อพูดมันได้ยุ่งยากไม่มีวิธี ไม่มีวันไม่มีเวลาด้วยไม่ว่าอเออคำหน่อยถึงจะได้นั่งสมาธิหรอกนั่งมันก็นั่งเฉยๆแล้วแนีะพูดโทรสองสามคำก็นอนแล้วลงององงงหลงแล้วนั่งไปพ อ, อขา ย, ยังไม่ปวดดีเลยอพอแล้วถ้ามันเจ็บขึ้นมานี่มันจะไปกันใหญ่ว่านอนแล้วก็ได้แค่นั้นแต่สติปัฏฐานไม่ได้เอาไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เอาแต้มเพียงอยากลู่เฉยๆ รู้อะไรรู้ว่าเรามาเกิดเพราะอะไรอะไรพามาเกิดเกิดในพมโมโลกก็เกิดเกิดในเทวโลกเป็นเทวดาก็เกิดเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เกิดเกิดเป็นเปรยดเสื้อลกายสัตว์นรกก็เกิดไอ้ทำไมมันเกิดหมดพุทธเจ้าตรัสว่าวัตตะ การหมุนเวียนไปแห่งพบน่อยพบใหญ่สูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนเกิดในพบน่อยพบใหญ่พระเจ้าจึงตรัสว่าพวกเธอทั้งหลายจงหาเหตุแห่งความเกิดให้ได้และทำลายแห่งเหตุแห่งความเกิดนั้นเสียอันนี้คือจุดหมายปลายทางที่เราทุกคนต้องเดินทางไม่ใช่ว่านอนรอวันตายให้มันมาถึงให้พยายามมุราัดมาถึงก่อนเอ้ยหลวงพ่อเสียก่อนหระถึงจะไปวัดจ้างมันก็ได้ไปหรอก อืแต่ตอนหนุ่มๆยังยังไม่กระเสียนมันยังไม่ไปถึงวัดเลยคนที่ไปถึงวัดจริงๆมันยางแค่อย่างนั้นอ่ะคนที่เข้าถึงข้อวัดปฏิบัติอย่าง น, น้อยๆต้องเข้าถึงข้อวัดปฏิบัติของตัวเองให้เป็นนิสัยอย่างเราฝึกสติปัญหาสี่อย่างนี้ไม่ต้องอาเอาผิดเอาถูกกับเขาหรอกเพียงแต่ให้รู้ชัดเจนเท่านั้นให้รู้ทันใจคือผู้รู้ผู้ถูกรู้คืออารมณ์ แยกเยะให้ดีผู้รู้นี่ไม่เอาผิดเอาถูกกับใครมันกับหลวงปู่ท่านพูดไม่เช่าเนี่แหละไม่ได้ด่าใครไม่ได้โกรธให้ใครใดที่ผู้ลูกไม่มีมายาฝึกสติให้มากจเจริญให้มากรักษาใจให้มัน่นมันจะค่อยชัดขึ้นเด่นขึ้นชัดขึ้นเด่นขึ้นไม่ต้องไปเอาผิดเอาถูกเออเรามาปฏิเราปฏิบัติมาตั้งสิบปียี่สิบปีแล้วทําไมไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นผลอะไรเลย เราไปคาดหมายเอาเราก็ไม่เลยไม่เข้าใจเลยไม่เข้าถึงเพราะการคาดหมายเขาเรียกอะไรอนาคตใช่ไหมอนาคตาธรรมาพุทธเจ้าตรัสว่าจงละเสียอดีตโอ้เราภาวนามายี่สิบปีแล้วนะเนี่ยอ่าขนาดหลวงพ่อบวชยังไม่ถึงเราเลยไปคาดคะแนนเอาแล้วว่าเราบวชมาเอเราปฏิบัติมายี่สิบปีแต่เราไปไปให้คะแนานอีกแล้ว แต่ที่แท้จริงการปฏิบัติเนะี่ยคือการบรรเทาทุกข์คือการรู้เหตุแห่งทุกข์คือรรเป็นการรู้เหตุแห่งการพ้นไปจากความทุกข์คืออะไรพามาเกิดเกิดแล้วต้องทุกข์ใช่ไหมพัดผ้าแต่ป่วนแล้วก็แตกดับทำทำยังไงถึงจะรู้เหตุตัวนี้พระเจ้าจึงตัดธรรมที่สมบูรณ์ที่สุด ให้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายได้ปฏิบัติคือทำที่ทมที่ปฏิบัติแล้วให้ผลไวตัดสลูได้ไวได้ในชาติเดียวคือสติปัฏฐานสี่มหาสติปัฏฐานสี่ทำให้มากจเจริญให้มากจนเป็นมหาสติปัฏฐานยืนเดินนั่งนอนทำการงานพยายามและลึก่รู้เราเคยสงบ ในจุดจุดไหนในอารมณ์ใดพึงสำนึกอารมณ์นั้นให้มากแล้วก็รละลึกให้บ่อยๆที่เขา้าถึงจะอยู่ในลักษณะไหนก็ได้อันนี้คือสติปัฏฐานแต่อารมณ์ที่จะผ่านมาเราห้ามมันไม่ได้จะเป็นกุศลบ้งางกุศลบ้างว่างบ้างวุ่นวายบ้างให้รู้แต่อย่าตาม อันนี้ท่านเรียกว่าสติปัฏฐานฝึกความสงบคือสมถะอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าไปนั่งสมาธิให้มันสงบถ้าไหนขอให้เราเลึกลู่ว่าเออเราเคยเลือลู่ลืกลืกล้อไว้ตรงกลางอกนี่จิตของเรานิ่งดีนะหรือตรงช่องท้องจิตของเรานิ่งดีนะหรือจุดหน้าผากนี่เรานิ่งดีนะเราเคยฝึกสิง่งใดสิ่งหนึ่งไว้จิตของเราเคยตั้ง พึงทำสิ่งนั้นให้มากและเจริญให้มากทันวันและลึกรู้ให้มากจดจ่อสิ่งนั้นให้มากพยายามอยู่ในจุดจุดนั้นหรือสิ่งนั้นให้นานทำอยู่เรื่อยๆฝึกอยู่เรื่อยๆอันนี้เนี่ยเป็นการฝึกสติปัฏฐานและวิปัสสนากรมกืนกันไม่เสียเวลามเวลาได้ตลอดทั้งกลางวังกลางคืนเช้าสายบ่ายเยน็นทำอย่างนี้มันไม่จะไม่ได้ทำงานไม่ร้องพ่อยิ่งทางานดีกว่าเก่า ครอบครัวยิ่งดีขึ้นทรัพย์ก็ไม่ไหลหนีเทวดาก็รักษามีแจะดีขึ้นทั้งนั้นไม่เสียหายไม่ต้องจำเป็นว่าว่างต้องไปอยู่วัดไปภาวนาที่วัดไปที่วัดมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละมันเป็นสถานที่เฉยๆแต่ข้อวัดปฏิบัติจริงๆเป็นของเราไม่มีใครทำให้ได้หลวงพ่อก็ทำให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการเข้าถึงการปฏิบัติอย่างชาวพุทธของเราเนี่ ไม่ใช่ว่าอย่างที่หลวงพ่อพูดโอมันน่าจะทำง่ายนะอันนี้มันเป็นมันเป็นแบบว่าต้องทำไปแบบนี้ถึงจะเข้าถึงได้ต้องระลึกรู้อย่างนี้ถึงจะเข้าถึงได้ต้องจดจ่ออย่างนี้ถึงจะหายสงสัยได้แต่การที่จะผ่านให้จิตของเราแข็งแรงนี่มันต้องเสียสละมากที่สุดอย่างเรานั่งอย่างนี้มันปวดขาใช่ไหม เราตั้งสติได้ไหมว่าไม่ต้องขยับไม่ต้องกระดู ก, กระดิกทําจิตให้นิ่งจิตของเรามันเจอกับทุกอย่างเงี้ยมันกระสับกระใสไหมมันเป็นทุกข์ไหมแล้วความคิดก็จะแทรกเข้ามาเอ้ยมันไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวักขาเราชาแล้วเดี๋ยวมัน เ, เป็นมาฝึกมาผ่านนะเดี๋ยวมันจะตายนะอันนี้คือสังขารมันจะมาบังคับจิตใจของเราให้เราหลงเราจะมีสติมีปัญญาต่อต้านไหม เราจะมีขันติความอดทนเพิ่มได้ไหมอันนี้ต่างหากคือการรักษาใจไม่ใช่ไม่มีการต่อสู้นะครูบาอาจารย์แต่ละองค์ทำไมท่านถึงเอาชีวิตเขาแลกท่านถึงทำไมถึงไปอยู่ในดงในป่าอดข้าวทีละเก้าวันสิบวันสิบห้าวันอย่างหลวงว่าก็เคยทำมายี่สิบวันก็เคยทำสมัยก่อนไม่มีน้ำชากาแฟไม่มีอะไรด้วย มีแต่ต้มยาลากไม้นั่นแหละอย่าว่าแต่ปรมัดปรำมัดเลยมันไม่มีหรอกทำไมท่านถึงทำอย่างนั้นท่านก็รู้หมดมาแล้วเน่รู้ยิ่งกว่าเราด้วยทาไมท่านถึงทาเพราะละท่านต้องกรองกรองจิตแล้วดูจิตของท่านว่าเมื่อร่างกายมันทุกข์แน่มันจะวันไหวกับทุกข์มันไหมดูจิตมันจะกลัวตายไหมสังขารจะมาบังคับใจดวงนั่นได้ไหม การเผื่อจิตให้เข้าถึงความจริงอย่างนี้ความจริงเกิดขึ้นไม่ใช่ความคิดนะคิดว่าต้องเป็นอย่างงั้นทุกเป็นอย่างงี้ทุกไม่เที่ยงนั่นเนี่อนันทความคิดแต่ทุกที่มาเผชิญหน้าจริงๆน่ะมันเป็นยังไงมันต้องดูจิตที่นี่นั่นแหละท่านว่าจิตจะตั้งมั่นได้ไหมสัมมาส ม, มาธิคือใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับอารมแค่เรานั่งเล่านั่งอย่างเงี้ไม่เจอเสียเจอช้างด้วย ไม่เจอผีเนี่ยเราก็ยังหวั่นไหวกับทุกข์เลยแต่ถ้าไอเสือมันมาจริงๆแหละไอตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นยังไงมันอยู่ในป่านะมันอยู่ในหุบเขาลึกนะถ้าผีมาจริงๆล่ะมันจะทำไงมันอยู่คนเดียวอ่ะอ่ลงพ่อโตก็ช่วยไม่ได้ลุงพ่อรวยก็ช่วยไม่ได้อ่ะลุงพ่อไหนก็ช่วยไม่ได้แล้วมันจิตมันจะหวั่นไหวไหมครูบาอาจารย์ท่านเอานั้นเป็น เป็นตัวฝึกเรื่องสู้เวทนาเรื่องอะไรท่านก็จบมาหมดแล้วแต่เรื่องจิตใจนะ่ะคือสติปัฏฐานนะ่ะมันจะพร้อมได้ไหมเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ใช่ความคิดอันนั้นต่างหากที่ท่านไปฝึกบางทีความง่วงเหงาหาวนอนมาอย่างนี้ครูบาอาจารย์บางวงอย่างลงมปจวนอย่างนี้ไปนั่งอยู่หน้าผาเลยลม ดูลมปะทะหน้าผาดูด อ, อกหมุนอย่างเงี้ยท่านไปนั่งเนี่ยถ้าพลาดน่อยเดียวก็ถูกลมดูดไปเลยตกหน้าผาเลี้ยวไปโน่นไปไผรีบๆอยู่นั่นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไปหมอบอยู่ข้างๆกลัวท่านจะถูกลมดูดเอาเพราะการเอาชนะแต่ละอย่างนี่ต้องใช้สติปัญญาใช้ความสามารถมาก ตอนที่หลวงพ่อบวชใหม่หลวงพ่อก็ยังเคยต่อสู้กับมันแต่สู้ไม่ได้ขนาดบวชมาเกือบวันกิตรวมส ว, สว่างสวยหมดจากนั้นมามาต่อสู้กับความง่วงฉันเข้ามามานั่งกลางอกลางแดดแดดร้อนๆหน่อยอยากให้มันหายง่วงมันก็ไม่หายพอนั่งปุบก็หวะทิ่มกินเลย สุดท้ายหลวงพอ่อี๋ย ว, ว่านิสัยชอบหาเอาชนะเราหาเหตุผลหลวงพ่อก็เอากะปิบมาตั้งแล้วก็ขึ้นนั่งบนกระปิบอพอตกมันค่อยเก็บสักหน่อยแต่พุทโทรไม่ได้พอสิบนาทีปังลองอีกแล้วเอาไม่ได้เอากะปิบมาสองลูกมาตั้งไล้ก็ไม้ทับข้างบนแล้วก็ขึ้นนั่งเอากะอี้เหยียบขึ้นก็ขึ้นนั่ง อา้าวสองลูกมันคงจะกลัวตายอยู่มั้งกลัวจะคอหักแต่มันไม่กลัวหรอกพองว่วงจริงๆก็เฮิมลงเหมือนเดิมสุดท้ายหลวงพ่อโอ้ไม่ได้แล้วทำไงถึงจะสู้มันได้มองไปม า, มาเห็นไอ้กอไผ่กอไผ่น้ำมันเต็มนะเยอะนะแล้วก็มีต้นต้นไม้ต้นหนึ่งใหญ่แล้วแล้วก็ต้น ต้นลำต้นของมันเนื่องๆไปอย่างเงี้ยไม่ตรงนะแล้วก็มีช่อออกสองทางเขาเรียกว่ากิ่งออกก็เลยพอดีเอาไม้ไปผาดเราขึ้นนั่งจากจากบนต้นไม้ลงไปหาพื้นประมาณสักสองชั่วคนคงจะเป็นประมาณสักสามสามเมตรหรือสี่เมตรน่ะนะถ้าตกลงไปใต้แน่ๆหลวงพ่อว่าเอานี่แหละว่า พูดกับตัวเองเอานี่แหละขึ้นไปเลยเอาไม้หน้าแปดนะไปพาดแล้วก็นั่งเลยนั่งก็ส่องลงไวเอา้าที่นี่มันคงจะไม่ง่วงเอาพุทโท้พุทโท้พุทธโอ้ได้นานหน่อยนะประมาณสิบนาทีเนี่ยนะถ้าจะว่านานนะปุบเดียวแท่นั้นแหละติ้วลงไปโน่นนะแต่มัน มันวไวนะมือค้ำปั๊บเลยถ้า ง, งั้นหัวคอหักเลยนะมันเอาทางหัวลงนะมันมันง่วงไหมเอาทางหัวลงเลยเหมือนกับจรวดเลยพิว้วเลยเอามือค้ำปับ๊บแล้วก็ตีลังกากิ่งลงไปมันเป็นโคนเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยเขาเรียกอะไรอืมเป็นโคนปวกไหมจอมปวกอะ่ะมันสูงจอมปวกแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่นะั่นนหะพอกิ่งลงไปเสร็จ มันเป็นป่าไผ่หลวงพ่อเออมึงกิ้งลงมานี่กูกินั่งนี่แหละพอกิ้งลงไปพอลุกขึ้นได้ก็นั่งนั่นเลยไม่ไปไหนเอ้ามึงกิ้งลงมานี่กูจะนั่งนี่แหละนั่งพอนั่งพุทโธไม่ได้พอสองนาทีไอ้ชี้ตะปาดบ้านเราเรียกอะไรภาษาไทยชี้ตะปาดตัวเหมือนกับอ่านั่นน่ะชี้ตะปาดนั่นแหละ โดยโดย่วงย่วงมาก็เขียวตะปาดโดดมาเลยโดดมามาเข้าเนี่ยขาหลวงพ่อเนี่ยนั่งสมาธิอยู่หลวงพ่อเอ้ยไอ้นี่มันโดดมาอะไรวะไม่นานไอ้ไอ้งูเหา่าตัวเท่าด้ามเมียดใหญ่ๆเนี่ยแหละลึดลึดลึดมามันไล่กินไอ้เขียวตะปาดมันไม่มองหน้าเราหรอกมันมันสนใจแต่ไอ้ตัวมันจะกินเนี่ย มันคิดว่าเราเป็นตอเราก็ทำท่าเป็นตอไปเลยเสร็จแล้วทีนี้ตายเนี่ยมันก็เอาหัวมาดุดไอ้คิตปาดเนี่ยไอ้คิจตาปาดมันไม่ดดนะถ้ามันโดดเนี่ยมันจะถูกงับเพราะเชี่ยวงูเนี่ยมันโค้งเข้าข้างในใช่ไหมถ้าไอ้เขียดไม่ไม่ขยับมันก็กินไม่ได้เพราะไอ้เชี่ยวมันงูเวียงเข้าข้างในแต่ถ้ามันโดดปั๊บมันก็ฉวยกับเลยมันก็ไม่ดด มันถ้ามันไม่โดดไอ้ไอ้หัวงูนันก็โดดมันไปมันก็ไถรอบเราไถารอบรอบรอบรอบไอมันก็ไถามาจนมาจุดที่เดิมหางมันยังอยู่นี่เลยเห็นไหมมันตัวใหญ่มันร้องไอหลวงพ่อนี่ไม่หายใจตาเหลือกเลยตาเลือกดูงูนะแต่ไม่ขยับขยับไม่ได้เดี๋ยวมันจะว่าเราเป็นคน ใ ห, ให้มันไม่รู้ว่าเราเป็นคนเราต้องเป็นตอไปอย่างนั้นไม่กระดุกกระดิกหายใจก็คงจะไม่หายแล่ะนะดูท่าตอนนั้นนะ่ะไอ้งูมันก็ดูดเิตตปาดที่ดบอก็ไหลไปไหลไปไหลไปอย้อมนั่นนะ่ะเลืดเลืดดอยู่นั่นน่ะไม่นานมันก็กระโดดออกจากหลงพ่อไปโดดไปเข้ากอไผ่ไอ้งูนี่ก็ไล่ตามเลยเลืดเลืดเ ล, ลืดตามกันไปหายง่วง ไม่มีอะไรง่วงหายไปหมดเลยเห็นไหมหลวงพ่อมาสันนิษฐานเนี่เทวดาคงจะสงสารก็คืออุย้ยพระองค์นี่มันบ้าแท้ๆขนาดตกลงมาจากต้นไม้แล้วก็ยังนั่งต่อก็เลยช่วยสักหน่อยเทวดาคงคิดว่านะเขาก็แรงแปลงกายเป็นเอ้เขียบตะปาดกับงูเนี่ยมาช่วยวันนั้นน่ะหายเลยง่วงไม่มีเลย อ, อันนี้ก็ หมายความว่าบางทีการภาวนาเราต้องใช้อุบายเอาชนะตนให้ได้การเอาชนะในสิ่งทั้งหลายนะ่ะที่ว่านะ่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจงเอาชนะตนนั่นแหลเป็นการชนะที่ดีนะการเอาชนะตนเป็นการเอาชนะอย่างสูงสุดก็ว่าได้เอาชนะคนอื่นเขาก็มาเอาชนะกลับเหมือนเดิม แต่การเอาชนะตนอนะ่ะเป็นการเอาชนะที่ดีที่สุดถ้าพูดบ้านเรานะอันนั้นอันนั้นหลวงพ่อพูดเรื่องประสบการณ์เฉยๆแต่ว่าการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มีอุบายที่จะสอนตัวเองเราเดินไม่ได้หรอกเราต้องมีความเพียรความเพียร น, นี่สูงสุดเนี่ต้องเอาชีวิตข้าแรกด้วยอย่างหลวงพ่อบำเพ็ญไปขนาด เจ็ดวันจิตหลวงพ่อสงบสว่างสวัยได้ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหดโมงเช้าอ่ะเหลือแต่ธาตุรู้ท่านว่าเอกะคือหนึ่งคับตาคือจิตจิตเป็นหนึ่งไม่มีสองอย่างอื่นไม่มีสองกับร่างกายอันหยาบไม่มีสองกับร่างกายที่ละเอียดคือกายทิพย์ไม่มีสองกับเวทนาไม่มีสองกับสัญญาคือความจําว่าจําได้ว่าอยู่ที่ไหนไม่มีเหลือแต่ธาตุรู้ไม่มีสองกับความนึกคิดปรุงแต่งคือสังขารของใจไม่มี ไม่มีสองกับรูปเสียงกลิ่นรสคือวิญญาณขันไม่มีขนาดได้ถึงขนาดนี้จิตก็ยังเข้ามากไม่ได้ในเจ็ดวันนะบวชมาเจ็ดวันแรกก็ได้แค่พิติสุขสว่างสวัยแล้วก็ได้อะไรนิดๆห น, หน่อยๆอตามที่ควรจะได้แต่อย่างอื่นก็เป็นปุตุชนเหมือนเดิมพอจิตถอนออกมาแล้วก็จิตกจิตจิตเบานิ่งสงบ กายเบาสบายก็ได้แค่นั้นออกจากท่านมาก็สู้กับไต้ความง่วงสู้กับความลำบากการกรรมทุกอันทุกอย่างก็เหมือนกันอย่างหลวงปู่เทศท่านว่าบางคนจิตรวมเข้าไปครั้งเดียวได้มรรคก็คือเข้าพระโวัสดา์บันได้บางคนรวมตั้งหลายครั้งก็เข้าไม่ได้เพราะอะไรอันนี้หลวงพ่อยกต้นเหตุให้ฟัง เพราะมันขาดสติปฐานสี่หลวงพ่ออาจจะเคยบาเพ็ญมาเรื่องฌานเรื่องอะไรหลายชาติแต่ว่าสติปฐานสี่มันยังไม่พร้อมอันนี้ต่างหากที่มันค ง, คงจะที่เหมือนกับพระดงแต่ว่าสมถะและวิปัสสนากรรมาฐานนะั่นนะไม่ใช่เราฟังแล้วเข้าใจแล้วมันจะเข้าถึงมันต้องมีโอกาสที่จะบ่มซีสองสองอย่างให้พร้อมกันได้ มันถึงจะเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นการฝึกสติปฐานมันจึงต้องทําเลยและลึกลู่เลยไม่ต้องท้อถอยแม้จะไม่เห็นฝังก็ช่างแม้จะตายพรุ่งนี้วันนี้เราได้ทําเต็มที่แล้วก็ดีคือเหมือนกับเอากํำปั้นทุบดินนั่นแหละไม่ต้องท้อถอยพยายามและลึกลู่พยายาม ล, ลึกลู่เต็มที่ในจุดใดจุดหนึ่งที่เราว่า เราทำแล้วได้รับประโยชน์คือจิตสงบฝึกให้ฝึกหาวาสนาของเราของตัวเองบางคนก็อาจจะเพ่งกับสินหรือเพ่งเทียนก็ได้เอาเทียนมาตั้งเพ่งดูเฉยๆเนะี่ยดูด้วยความมีสติรอบครอบรอบรอบู้เวทนาเกิดขึ้นก็สู้กับเวทนาไปไม่ต้องหนีเอาอย่างงั้นอันนั้นท่านว่าฝึกให้กลมกลืน ไม่ต้องไปท้อถอยไม่ต้องไปท้อแท้ร่างกายนี่ตายแน่แน่ไม่นานก็ตายแล้วเราต้องชิงเอาชนะก่อนก่อนที่มันจะหมดเวลาสอนเจ้าของสอนเจ้าของให้ตั้งใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั่นแะเราไม่ต้องเลือกหรอกทำมาค้าขายหรือทำหน้าที่การงานอะไรขอให้พอทำสิ่งที่เราถนัดว่า เรามีสติดีตรงจุดใดจุดหนึ่งเวลาหลับตาลงและเรื่องลูกแค่นาทีเดียวครึ่งนาทีก็ได้ขอให้ระลึกลูกบ่อยๆมีสติระลึลกลูกทําใจให้เบาทําใจให้สบายเพราะว่าจิตของเราทุกคนเนี่ยต้องมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติกับอารมณ์ตลอดเวล่ล้เวลามันเลือกไม่ได้หรอก แต่การพูดสติปัฏฐานให้รู้ธันอรมณเนี่มันทำได้อยู่นะแต่เราเพียงไม่ทำแค่นั้นเองเราก็ว่าเวลายังไม่พร้อมแค่นั้นนะเราไปโทษโน่นโทษนี่สุดท้ายก็ไม่เข้าถึงเพราะการเข้าถึงต้องเข้าถึงด้วยตนเองบางทีก็เช้าบางทีก็ค่ำบางทีก็ สายบ่ายเย็นก็ได้การเข้าถึงได้ด้วยกำลังคือสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นการฝึกสติปัฏฐานนั้นมันต้องทำอยู่ตลอดไปล่ำเวลาเหมือนกับว่าระลึลกรู้อยู่เรื่อยๆมันไม่ได้ซื่อกับใครขอกับใครหรอกตั้งใจฝึกหัดเพราะเราเคยฝึกทานศีลภาวนามาแล้วมันมันจนเป็นนิสัยทุกคนแล้วชาวพุทธแต่การฝึกสติปัฏฐานเนี่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แต่ทาให้กลมกืนกันทั้งส ม, มถะและวิปนะัสนาเนี่ยต้องทำแบบหลวงพ่อว่าเ น, นี่ยนะจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเราจะรู้ด้วยตนเองถ้าทำให้มากจะเลืนให้มากเพราะผู้ ร, รู้มันจะเด่นขึ้นชัดเจนขึ้นมันก็ต้องต่อสู้นั่นแหละกับอุสาริกทั้งหลายมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะอะอธาตุสนะีมันแปรปวนบางทีก็เป็นโรคไข้ไข้เจ็บต่าง บางทีก็เกิดอะไรหลายอย่างแต่มันเลือกไม่ได้แต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดเราเลือกได้แล้วอย่าง น, น้อยๆก็ให้ใจตั้งมั่นเมื่อใจของเราตั้งมั่นแล้วทำทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตัดไว้มันเป็นความจริงทุกอย่างตอนที่ใจเรายังไม่ตั้งมั่นตอนฝึกอยู่ลมลูกคู่คันปอมบังจริงวัง ตามเหตุแต่ถ้าจิตสงบตั้งมั่นดีแล้วผู้รู้เด่นสว่างสไวแล้วทาทั้งหลายเป็นความจริงทั้งนั่นจึงว่าโอ้พระพุทธเจ้า ว, วิเศษที่สุดในโลกไม่มีอะไรจะวิเศษเท่านี้ไปอีกแล้วเพราะทําลายความหลงทําลายภบชาติได้ด้วยความจริงรู้เข้ารู้เข้าเห็นด้วยตนเองด้วยความเป็นจริงด้วย เพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเครื่องเปิดอยู่ตลอดเวล่ำเวลาไม่ได้ปิดไม่ได้บังไว้แต่เราปิดบังตัวเองเฉยเฉยก็เพราะว่าเราหลงหลงปล่อยให้วันผ่านไปเดือนผ่านไปปีผ่านไปตลอดสุดท้ายก็มีแต่เรียนแต่ไม่ได้ไม่ได้สอบเหมือนกับปฏิบัติธรรมอ่ะพิจารณานโน่นไปพิจารณานี่ไปแต่พอจะสอบก็ไม่สอบ ปล่อยให้วันผ่านไปอีกหมายความว่าพอไปเจอทุกข์เราก็ถอยจ้อยไม่ได้สอบให้เห็นความจริงแต่ที่จริงแล้วทุกข์นั่นแหละเป็นธรรมะขั้นต้นทำไมทาในธรรมะจากพระพุทธเจ้าจึงจัดว่าทุกขังอริยสัจจังสมุทยอริยสัจนี่โลทมขาปฏิปทาทำไมล่ะก็ทุกข์นั่นแะเป็นกาแพง เป็นกำแพงด่านหน้าที่เราจะเข้าถึงได้และข้ามเราจะข้ามทุกได้โด ย, โดยการคิดมันก็ไม่ได้เพราะว่าการข้ามทุ ก, ก็คือพิจารณาทุกให้เข้าใจถึงจะข้ามทุกได้การพิจารณาทุกให้เข้าใจไม่ใช่คิดเอาว่าทุกมันไม่เที่ยงทุกเป็นอนัตตา น, นั้นเปลี่ยนกรรมคิดการพิจารณาจริงๆคือการต่อสู้ สู้ว่าทุกข์มันจะหนีจากเราหรือเราจะหนีจากทุกข์ไหมทุกข์เป็นเราหรือเราเป็นทุกข์ดูมันให้ชัดไม่ต้องไปตัดสินดูมันเฉยๆตั้งสติให้ดีท่านว่าขันตีความอดทนอดทนไว้วิริยะประคับประคองใจมาให้หวันไหวเพราะใจมันวันไหวอยู่แล้วเมื่อเจอกับทุกข์มันทุลักทุเลมันกาดแกงมันทุรนทุลาย ความนึกคิดปรุงแต่งคือสังขารใจก็ปรุงแล้วเฮ้ยมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะเป็นโลกโน่นโลกนี่นะมันจะเป็นนมามพึกมาผ่านนะเราขยับสักหน่อยสิขยับไปมันก็ยิ่งทุกข์เพิ่มเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นทุกข์เนี่ยมันจึงเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจดวงนี้มากเพราะฉะนั้นความอดทนจึงเป็นตบะเป็นเครื่องเผาอันนี้คือการสอบนะจะผ่านหรือไม่ผ่านเวลาจะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็แล้วแต่ ถ้าไม่กระดูกกระเดียกเลยเนะี่ยหลวงพ่อว่าไม่เกินชั่วโมงยี่สิบทุก็แตกเปียงไหยไม่เหลือกระจัดกระจายไปจิตเป็นอิสระในช่วงแรกเป็นอิสระปิติสุเกิดขึ้นโหภาโสสว่างสวายจ้าขึ้นจิตดวงนั้นนะี่ยไนเรบถ้าอินทรีย์เราแก่จริงๆเมื่อไอ้ทุกแตกดับเข้าถึงพระสวัดับบันไดในคะรั้งเดียว เข้าถึงเหตุถึงผลเพราะถ้าสติปัฏฐานมันแก็งจริงมันจะบังคับจิตรวมลงเป็นหนึ่งได้แล้วไอ้สติปัฏฐานจะทำให้เกิดวิปั ส, สนาไปเลยในตัวของมันโดยหลักธรรมชาติแต่ถ้าสติปัฏฐาน่อนเ็าไปเจอปิติไปเจอสุขเจอความสว่างสวัยจิตก็หลงถืขอขอบงาไปอีกก็ได้แช่ฌานอันนี้คือการสอบเบื้องต้นแต่ถ้าไม่สอบสักทีเปลี่ยนอริยบท อ่ายืนเดินนั่งนอนก็ได้หรอมค่อยทำไปว่าไปอย่างนั้นหลยสุดท้ายก็สอบไม่ผ่านเลยถ้าเรากลัวทุกแล้วเราเกิดมาเราก็เจอทุกความโศกเศร้าโศกาที่สิ่งที่พัดัาไปก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกความเจ็บไข้เด็ป่วยก็เป็นทุกความตายก็เป็นทุกเพราะฉะนั้นทุกนี่แหละจะสร้างจิตของเราให้แก่กล้า จะสร้างสติปัญญาของเราให้เขียบแหลมขึ้นสมัยก่อนครูบาอาจารย์ว่าเออทุกใหญ่เท่าไหรทำมันยิ่งใหญ่เท่านั้นท่นว่าทุกมากเท่าไรทำยิ่งมากกันว่าท่นว่างั้นนะให้กำลังใจแต่มันก็เป็นความจริงอะ่ะเพราะทุกเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสุขแต่ทั้งทุกทั้งสุขมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถ้าสติเราอ่อน สุขก็ครอบงําใจใจก็ไหลไปตามสุขเท่าสุกอ่ะมันละเอียดประเนียดมากทุกถึงมันจะหยาบกระนั่งเท่าไหร่มันก็ยังเสียดแทงใจเราได้ใช่ไหมแต่สุขนี่มันละเอียดมากมันก็ยิ่งครอบงําใจเราได้ไวมากเท่านั้นเพรา ะ, ะนั่นสติปัฏฐานสี่เนี่ยจึงถ้าอินทรีย์มันไม่แก่จริงๆอ่ะมันเข้าไม่ถึงกั้นไม่ได้ก็เข้ามักไม่ได้ ง, งั้นพระโสดาบันมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วแหะเพราะทุกคนนั่งอยู่นี่รู้หมดเลยธรรมะรู้ยิ่งกว่าหลวงพ่อด้วยแต่ทําไมมันเข้าไม่ถึงเพราะเราไม่กล้าผ่านเราไม่กล้าทดสอบไม่มีความจริงใจคือไม่มีศรัทธานั่นแหละพูดตรงๆคือศรัทธายังอ่อนไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงได้พระเจ้าตรัสว่าทุกขังอริยสัจทุกเป็นสัจจะเป็นของจริงเนี่ย ที่มีอยู่และไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของบังคับบัญชาไม่ได้เป็นใหญ่เฉพาะตัวลองตั้งดูสิเอาตั้งใจให้มัน่นประคับประคองใจไม่ให้หวันไหวทุกมันมาเสียแทงกิตใจให้หวันไหวอย่างนี้เราขันติบา ร, รมีของเรามีแค่นี้หรือขันติความอดทนขันติเป็นตำบากเครื่องของกิเลสวิริยะความภาคเพียรประคับประ ค, คองใจ ละลึกรู้คือสติละลึกรู้อยู่เรื่อยๆทุกคือทุกทุกคืออารมณ์ใจคือธาตุรู้สติปฐานสติสัมปชัญญะเป็นการแยกกิจชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งออกจากอารมณ์แห่งความทุกข์สู้กันไปสู้กันมาอย่างนั้นแหละขันติก็ขันติของเราก็แก่ขึ้นไปเรื่อยๆแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยจนสุดท้ายมันตัดสินกันเลยเอาก็ตายเป็นไต อย่างน้อยๆก็ตายต่อหน้าต่อตาให้เราเห็นตอนที่มันตอนที่ความตายยังมาไม่ถึงเนี่ยแหละมันว่าจะตายก็ให้มันตายดูสินิ่งเข้านิ่งเข้านิ่งเข้ามันจะทําอะไรก็มันทําไปเลยตั้งใจรักษาใจให้มั่นอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นปล่อยให้หมดนั่นคือศรัทธาแก่กล้า กังขาวิสุทธิความลังเลสงสัยว่าจะเป็นโน่นเป็นนี่ตัดทิ้งให้หมดเลยเอาแต่ใจคือผู้รู้เท่านั้นเอกะคือหนึ่งข้าตาคือจิตทําจิตให้เป็นหนึ่งสุดท้ายเมื่อจิตมันเมื่อเวทนามันแตกดับไปจรงิงจริงสติปฐานเมื่อบำเพ็ญแล้วมันรวมลงที่ใจดวงเดียววูบลงเลยลงไวเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่สิ่งที่ผ่านไปขาดสมบัติสมบัติมันเร็วมากพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันเลยอันนี้คือสติสติดีนะ มันจะรวมลงไปในอะไรกัน้นขวางหน้าขวางหน้าขวางหน้าเนี่ยมันจะตัดขาดตัดขาดตัดขาดเลยรวมรวมลงเร็วมากสุดท้ายกังขาวิสุทธิความลั่งเลสงสัยตัวสุดท้ายตัดสินตัวนั้นขาดสวั่นรวมลงเข้าถึงได้ที่นี่ขันก็เป็นขันเ่ะที่นี่ขันห้าเป็นขันห้าเลยใจออกจากกันเป็นคนละอย่างเป็นหลักธรรมชาติคนละอย่าง จิงว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองถึงขนาดนี้ใครจะรู้จะเห็นได้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็มารู้สิ่งความจริงอย่างนี้ถึงเป็นพระพุทธเจ้าได้พระอาหารหันสาวกก็ต้องมารู้ความจริงอย่างนี้ถึงเป็นพระอริยเจ้าได้สัตว์ทั้งหลายที่เที่ยวเกิดเทีเท่ยวตายในวัฏฏะมาหลงอันนี้เหมือนกันหมดคือหลงขันมาหลงขันอันนี้อันเดียวหมดเลย พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลในรอบลู่ในกองในในกองขันและกองสังขารตถาคตจึงเชื่อว่าปัญญาอันนั้นแหละเ น, นี่ยนี้แหละคือปัญญาปัญญารู้ความจริงไม่ใช่ปัญญาคือคิดคือชิดนเขาเรียกว่าสังขารความปรุงแต่งของใจจํามาเขาเรียกว่าสัญญาแต่ไอไอปัญญาคือรู้จริงๆพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจากหุ้งอุทาปาริยาังจากสุได้เกิดแล้วยานังยานได้อย่างลู่แล้วอโลโก้ลู่แก้ง ลูกแจ้งในขันห้านั่นคือผู้ที่ลืมตาถ้าสมัยขัง้งพุทธการพุทธเจ้าตรัสว่าท่านผู้มีจักสุท่านผู้มีดวงตาถ้าบทในธรรมจักทันว่าจาักค้่ทุพปาทิยาังจักสุได้เกิดแล้วยานได้อย่างรู้แล้วนั่นคือองค์พระสุนทบันทีนี้อบายภูมิทั้ง สี่ที่เราท่องเที่ยวไปมาหลายร้อยหลายแสนหลายล้านล้านชาติปิดโดยสิ้นเชิงอบายภูมิทั้งสี่ถูกปิดโดยสิ้นเชิงจากวันนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เราไม่กลับหลังอีกแล้วประกาศตัวออกมาเลยใจรู้นิ่งอยู่แต่ขันห้าพัฒนาการไปไม่ร่วมกันแล้วอันนี้คือการรู้เบื้องต้น ประจตังจะลู่เฉพาะตนอันนี้เป็นหลักประกานของลาวาโอการเที่ยวเกิดเที่ยวตายก็เพราะไอ้ตัวนี้เองเหมือนกับพุทธเจ้าตรัสว่าพวกเธอทั้งหลายจงหาเหตุแห่งความเกิดให้ได้แล้วทำลายแห่งความเกิดนั้นเสียเหมือนกับว่าโอทุกสมุทัยนิโรดมากแน่ทุกควรจะพิจารณาให้มากจเจริญให้มาก สมุทัยก็ดับไปมันไม่ตามแล้วสมุทัยคือความปรุงแต่งของใจใช่ไหมมันก็ดับไปเมื่อทุกแตกดับสมุทัยก็ขาดไปด้วยกันทั้งยวงเลยเขาเรียกว่าอะไรนิโรธาใช่ไหมคือความดับที่นี่ตัญญาก็พุ่งขึ้นโอ้ควรจะทําให้มากจเจริญให้มากซึ่งทุกแน่ทำสี่อย่างพร้อมกันเลยจบลงในข้างเดียวทำสี่อย่าง คือเครื่องตัดสลูของพระและเจ้าทั้งหลายอันนี้คือความจริงที่เราควรจะเข้าถึงถ้าเราอินทรียังไม่พร้อมมันก็เข้าถึงไม่ได้สิ่งที่ทาจะจะทำให้อินทรีย์พร้อมคือการพิจารณาทุกไวที่สุดที่ลงพ่อพูดนี่คือความจริงทุกคนก็อยากจะรู้ความจริง แต่ทำไมความจริงอยู่ต่อหน้าเราก็ถลเลไปทางนั่นถลายไปทางนี่อ่าเพราะนั่งหน่อยก็ตายตาตาตาตตตอพอกระดูกมาทางนี้หน่อยมันก็เอาแล้วมันก็ทำไมถึงปวดไม่หยุดเลยวะเอวเราจ็จะขาดแล้วขาเราก็จะพังแล้ว แต่มีแต่ความคิดท่านน่ะนะมันมามันมาร่อใจใจคือธานุรู้เฉยเฉยอกไม่เป็นอะไรกอบเขาดอกพอเขามาร่อหน่อยสติมันอ่อนมันก็ไปกับเขาแล้วเออจะจริงเว้ยเห็นไหมหลวงปู่นั่นเขาเป็นนอพึกหลวงนี่เขาเป็นนอพัดมันน้วยมันไวมากเลยนะไอสังขารเนี่ยถ้าพูดจริงจริงก็คือสมุทัยนั่นแหละการส่งใจไปตามความคิดเขาเรียกว่าสมุทัยเป็นเหตุให้ถูกเกิดแต่สติปัญญาเ น, นี่เป็นเครื่องเลอะเลืกรูก้ทาให้ตัด สภาวะของสมุทัยได้และการแตกดับไปของทุกเนี่เป็นการประกาศชัยชนะของอนัตตาด้วยใจที่ตั้งมั่นดูอย่างนั้นเป็นอิสระในชั่วขณะสติปัฏฐานก็เลยแก่กล้าพร้อมกันสติปัฏฐานเนี่ต้องแข็งแกร่งนะเส้นยาแดงเดียวกันไม่ได้อินซีมันต้องพร้อมกัน จึงรู้ว่าโอ้ถึงจะเที่ยวเกิดเที่ยวตายพบน้อยพบใหญ่สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนก็เพราะไอ้ความหลงตัวนี้เองหลงขันไม่ได้ไปโทษอะไรเลยโทษว่าอินเตียของเรามาันดอนทำไมถึงหลงเพราะไม่ได้ฝึกสิติปะฐานตาไปเห็นลูกหูได้ยินเสียงมันก็เกิดความโลภปรดหลงใจก็ถูกลากไปเมื่อลากไปแล้วก็ไปบรรจุไว้เขาเรียกว่าพบ เมื่อ <würden> ม <ancia> ีพบการบันติ๋วไว้เขาเรียกว่าชาติคือความเกิดเกิดในพบน้อยพบใหญ่สูงๆต่าๆลุ่มๆดอนๆเขาเรียกว่าวัตฏะเห็นได้ชัดเจนไหมอันนั้นคือวัตฏะวันนี้ภูมิแต่ละภูมิที่ในภูมิของเทวดาแต่ละชั้นน่ะมีความหยาบกลางละเอียดด้วยแต่ละชั้นมีความหยาบกลางละเอียดด้วยกิจที่อินทรีย์มันอ่อนมันไปอยู่ในภูมิไหนมันก็หลงภูมินั้น แล้วเรามาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยอายุเพียงน้อยนิดเนี่ยได้พบคำสอนของพระเจ้าเราก็ยังหลงอีกถ้าเราไปอยู่ชั้นเทวโลกเป็นเทวดาเราจะยิ่งหลงไปกว่านี้ไปอีกเพราะไม่มีคำสอนของพระเจ้าไม่มีผู้ปฏิบัติให้เห็นทำไมพระพเจ้าจึงตัดว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐทำไมพระุทธเจ้าไม่ตัดว่าเทวดาประเสริฐพมประเสริฐมีไหมไม่มีใช่ไหม สัตว์เดรัจฉานประเสริฐมีไหมก็ไม่มีภูมิในวัฏฏานี่มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ประเสริฐแต่ถ้ามนุษย์ไม่มีคําสอนพระพุทธเจ้ามนุษย์ก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานไม่มีคุณค่าอะไรแค่หากินแล้วก็ไปตามความโลภโกรธหลงก็เบียดเบียนกันแล้วก็รอวันตายแค่นั้นพระราชาก็าตายเศรษฐีก็าตายข้อทานก็าตายใครเอาอะไรไปด้วยล่ะแม้แต่ร่างกายก็ยังเอาไว้ไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นโอกาสของเรามันมีอยู่แต่เราไม่ขนขวายใช่นั่นเองถ้าอินทรีย์ของเราไม่แก่เราก็รีบทาให้แก่สิถ้าบุญของเรามันน้อยเราก็เรียบสะสมบุญให้มันเยอะขึ้นสิถ้าศรัทธาของเรามันอ่อนก็รีบบาเพ็ญเอาต่อก่อนที่พญามุจิราชจะมาถึงก่อนที่ความตายจะมาถึงเราเราจะปล่อยให้มันมาเหยียบเราโดยไร้ศักศรีดีไหม หลวงพ่อว่าไม่ดีแน่ๆตอนนั้นหลวงพ่อกลัวตายพรรษาสองหลวงพ่อกลัวตายทำไมถึงกลัวตายกลัวว่าร่างกายนี่มันจะหมดเวลาก่อนเพราะร่างกายของมนุษย์มันอ่อนแอมันอายุสั้นมันจะตายก่อนเราจะไม่เข้าถึงก็เลยกลัวตายไม่ไปบินบาดเลยไม่ไปบินบาดไม่ฉันเข้าเล่งเอาทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้ว่าตะวันมันขึ้นเวลาไหนตกเวลาไหน เอาอยู่อย่างนั้นดูจิตฝึกสมาธิฝึกทุกอย่างไปอยู่ในป่าในดงกลัวช่างกลัวเสียก็กลัวแต่ต้องไปทำไมถึงไปเพราะว่าไปอย่างนั้นมันไม่ประมาทเพราะมันกลัวมันก็เลยไม่ได้นอนนอนก็นอนแปบบเดียวก็ตื่นขึ้นแล้วตาใสาเร็วเอาอยู่ไม่ได้ทาอยู่อย่างนั้นเพราะกลัวเวลามันจะหมดก่อนเร่งภาวนาถ้นานอเร่งเข็นไหมตอนนั้นถึงพรรษาสอง เลื่องภาวนาสมัยก่อนไม่ได้ขี่ไม่ได้นั่งรถ ด, ด้วยไปเมืองเหนือลุงพ่อเดินตั้งแต่อีสานไปเหนือนี่สามเดือนกว่านะถึงจะถึงเมืองเหนือนะเข้าหาครูบาอาจารย์ตรงที่เข้าหาไว้ยก็คือลุงปู่ขานบ้านเราสมัยก่อนน ะ, จ, นน ะ, ะจังหวัดลุงปู่พวงที่อำเภอแม่หมาะจังหวัดลําปาง เที่ยวออกเที่ยวเข้าอยู่นั่นแหละไปถามธรรมะท่านอยู่กับท่านสี่ห้าวันหรือเก็บยว้รก็หนีไปอีกทำไมจึงหนีพ่ออยู่วัดมีข้อวัดปฏิบัติมีเพื่อนต้องเดยคุยกันไม่ได้หนีไปอยู่คนเดียวมันไม่มีคนไม่ไม่มีคุยกับใครมันก็เลยสบายไม่ได้ส่งอารมณ์ออกนอกไม่ได้มีข้อวัดปฏิบัติมีแต่หน้าที่บําเพ็ญอย่างเดียวแต่ถ้าอยู่วัดต้องถูสลา ต้องล้างห้องน้ำต้องสงน้ำคูบายอาจารย์อันนั้นหลวงพ่อทำมาหมดแล้วแต่ตอนเร่งเรื่องเรื่องบุญเพียรเนี่ยคูบายอาจารย์ไล่หนีเลยไปไไ ป, ไปอยู่คนเดียวไม่ใช่ท่านกรดให้เราท่านว่าอยู่ที่อยู่กับเพื่อนมันมีข้อวัดถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เป็นข้อวัดถ้าไปอยู่คนเดียวมีแต่ที่ของที่นอนของตัวเองเนาะอยู่ในถ้ำในเหวในอะไรมันก็สบายไม่มีอะไร นั่นแหละไม่ประมาณเร่งเร่งบำเพ็ญภาวนาะขนาดเล่งถึงขนาดนั่นนะพรรษาสามพรรษาสี่ถึงเข้าใจตอนนั้นพรรษาสี่ไปอยู่เขาล่องข้าเสือมาเนี่ยวัวตัวใหญ่มากนะขนาดมันนั่งท่วม ห, หัวเราท่วมหัวเราเราเห็นดูเงี้ยเสือเสือใหญ่มากอยู่เขงลงาล่องข้าเน่าหนาวเนี่ยหายใจออกเนี่ยลมหายใจมันออกเนี่ย เป็นหมอกเป็นควันเลยตาแดงกลิ่นของมันเนี่หมาเนี่นอนชักแงงแง๊งแมันวิ่งไม่ได้เขาว่ากินสาบสางเสือเนี่ยแม้แต่หมายังวิ่งไม่ได้เพราะมันขามันข า, ามันวิ่งไม่ไท้เขาว่ามันขาลอยไปเลยนอนดิน้นแง๊งแง๊งง๊งอยู่ชักอยู่ขนาดกลิ่นของมันนะอะพระก็เกือบตายเหมือนกันนะพระก็เหมือนใจจะขาดเหมือนกันกลัว กลัวเสือแต่ที่เราเคยฝึกสติประฐานอยู่ตลอดเวลาล่เวลานะ่ถ้าพูดเรื่องนิมิตหนูเห็นหลวงพ่อแค่ลืมตาหรือหลับตามันก็เห็นเรานิมิตนีิมิตไม่ใช่นอนหลับฝันแล้วเป็นนิมิตนะอันนี้เสือมันไม่ <c oughs> ขนาดเราเคยฝึกหัดมาตลอดทุกขนาดจนะิตเนี่ยพอเสือมามันยังขาดไปหมดเลยสติไม่เหลือเลยเหลือแต่ใจคือผู้รู้รู้อยู่อย่างนั้นรู้อยู่ตาเหลี่ยมมงม่งอย่างรู้อย่างงั้นงงน่ะ มันกลัวนี่จึงรู้ว่าโอ้ขนาดเราเรายอตัวเองว่าเราสุดยอดแล้วแค่เสียมาตัวเดียวขาดไปหมดเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างจึงรู้ว่าโอ้สติเราสติประฐานมันยังอ่อนเกินไปรู้ทันเลยพอรู้ปุ๊บมันก็กลับมาแล้วกลับมาต่อสู้กับเสียไม่ใช่ไปฆ่าเสียหรอกนะ ส, สู้กับอารมณ์สู้ไปสู้มามันก็ขาดไปคนละทาง ตัวนั่นกระเด็นไปตัวนี้ก็กระเด็นกลับมาลวงวูบลาอันนั้นในเรื่องแล้วที่นี่ในเรื่องการปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบต้องมีสติประฐานสี่กำกับด้วยไม่รู้เวลามันจะนานเท่าไหร่ไม่รู้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นอะไรเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าอุปสรรคของชีวิตในครอบครัวอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเราจะรักษาใจดวงนั้นทันไหมสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นขันทั้งนั้น มัต้องไปโทษนะนอนโทษอะ น, นี้หรากรรมก็ก็คือเป็นขันนวลนั่นแหละเราจะรู้ทันไหมเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เพราะทำไมถึงพระพุทธเจ้าจึงทํานายว่าทําให้มากจเจริญให้มากแล้วจะได้ตัดสู้ในชาติเดียวได้ก็เพราะอย่างนี้นนะั่นแหละเพราะว่าทุกเหตุการณ์แต่ละอย่างที่เกิดมาในชีวิตของเรายืนเดินนั่งนอนนะี่ล้วนจะเป็นธรรมทั้งนั้น ถ้าเรามีสตินะถ้าเราไม่มีสติมันก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นภพเป็นชาติเป็นความยึดมั่นถือมั่นกวดอาฆาตพยาบามบปลองไล่มาไลา่ทำลไล่ไปเรื่อยๆโศกเศร้าโศกกาไปเรื่อยๆแต่ถ้าฝึกสติสตะปทานสีมันจะเป็นทำปัจจุบันธรรมไม่ได้ขัดไม่ได้ไม่ไม่ได้ขัดแย้งกันนั่นแหละการปฏิบัติธรรมคือตอนเราเป็นมนุษย์ เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตนใ น, นเป็นสุดยอดเป็นการปฏิบัติที่สมบูรณ์บริบูรณ์ถึงจะไม่ถึงฝั่งแล้วก็ยังเดินทางได้ยังเดินทางได้อย่าง น, น้อยๆก็กลับมาเกิดเด็กในชาติหน้าก็ไปแล้วไม่นานแล้วแต่ถ้าเราไม่เข้าใจไม่ฝึกหัดให้เข้าถึง โอกาสพยาโมจุราชมาถึงเราก็หมดเวลาตายก่อนไม่มีโอกาสนั้นแล้วเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติทรรมเนี่ยมันอยู่กับเราไม่ใช่อยู่กับสถานที่มากเท่าไหร่หรอกไม่ได้อยู่กับเวลาเวลามากเท่าไหร่หรอกแม้แต่สติปัฏฐานสีพ่พระยาจึงตัดว่ายืนเดินนั่งนอนไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีสถานที่หมายความว่าไม่เลือกเราเลือกไม่ได้อย่างเราไปทํางานเราจะเลือกได้ไหม ว่าเพื่อนของเราจะไม่หยีดฉารลสสยามไม่ดูถูกใช่ไหมเราเลือกไม่ได้การงานของเรามันจะขาดข้องอะไรเราก็เลือกไม่ได้แล้วเราจะเกิดอุปติเหตุอยู่ที่ไหนเราก็เลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือความจริงสติปัาสีจึงฝึกใส่ชีวิตของเราโดยตรงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนเจนไม่ได้สอนคนตายพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าเธอเกษียณแล้วตาาคตึงจะสอนมันไม่ใช่ไม่มีนะ ใครรู้คำสอนของเจ้าคนนั้นก็เป็นมงคลเอาไปสอนเจ้าของฝึกหัดก็ฝึกหัดได้ใจดวงนั้นก็ตั้งมั่นได้เป็นอิสระได้ปัจจตจังจะลูกจะพาะตนเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เป็นลาบอันเบื่อเสดของเรานั่นแหละไม่ใช่เป็นอะไรหรอกไม่ใช่ไปอวดอ้างกันหรอกไม่ใช่เป็นเถียงกันให้เอาชนะกันหรอกไม่ใช่ไปหาอย่างอื่น เพื่อบรรเทาความหลงเพื่อทำให้ความรู้แยกรู้แง้งเห็นจริงรู้ยิ่งในใจดวงนี้รู้ยิ่งขึ้นไปเด่นขึ้นไปตั้งมั่นขึ้นไปด้วยการฝึกการหัดการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงสมควรจะเหตุจะทำเหมือนกับพระ้าตรานว่าบุคคลใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำบุคคลนั้นย่อม ได้รับสิ่งที่ประเสริฐเราไม่ต้องไปคิดว่าปฏิบัติต้องได้อนนู้นได้เนี่ได้ความรู้คือรู้ว่าเราหลงอะไรนั่นละ่ะสิ่งเหล่านี้วิเศษ ย, ยิ่งกว่าพมลโลกวิเศษ ย, ยิ่งกว่าเทวโลกวิเศษ ย, ยิ่งกว่าสิ่งเราอื่นเพราะผู้รู้เมื่อเป็นอิสระแล้วย่อมเกิดความสุขไม่มีอะไรจะเท่าได้ นี่แหละอันนี้สงของการประพฤติปฏิบัติถ้าว่าอั น, นิี้สงของครอบครัวล่ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองมากจนวุฒิเย้าตัดว่าตระกูลใดมีศีลอั น, อนสมบูรณ์ตระกูลนั้นจะมีคนมีบุญมาเกิดด้วยเจ็ดชั่วอายุคนตระกูลที่มีศีลมีธรรมเทวดาที่สร้างบ ร, ริมีโพธิญาณคือพระโพธิสัตว์พูดตรงๆก็ได้จะมาเกิดในตระกูลอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะเจ็ดร้อยปีคือเจ็ดชั่วอายุคน อา น, นิสงส์ในรับถึงลูกถึงหลานเพราะว่าเป็นการพยุงศาสนาให้เจริญไม่ใช่ว่าเขาต้องไปเกิดเป็นลูกพระราชาลูกเศรษฐีพวกนั้นถ้าไม่มีศีลธรรมเขาก็ไม่ไปเพราะว่าเกิดมาแล้วต้องอาศัยพ่อแม่ภากกระทํางไม่ว่าพระโพธิสัตว์ต้องจําช้านได้จําช้นไว้ได้ตอนที่สร้างบา ร, รมีนะต้องอาศัยบิดามารดา บุญเก่าเขามีอยู่แล้ววาสนาหนิสัยมีอยู่แล้วเขาก็เดินตามเขาก็เต้สร้างบา ร, รมีต่อลูกหลานต่อไปของเขาเกิดมาก็ล้วนแต่คนมีบุญมาเกิดมันไงเขาก็สร้างต่อกันดีพระเจ้ายึงตรัสว่าอย่างน้อยเจ็ดชั่วอายุคนจะเจเริญุ่งเดือ ง, อ, งอันนี้ได้อันนี้สงส์ถึงลูกถึงหลานถึงเหลนไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมดีไหมอันนี้สงส์มิแต่สิ่งดีๆทั้งนั่นนะ เพราะต้นเหตุเราขวนขวายฝึกหัดไว้เราก็อย่างน้อยก็ไม่ช้าก็เป็นนิพพานแล้วคือข้ามวัตฏะได้แล้วเป็นอิสระแล้วจิต ด, ดวงนั้นเป็นอิสระแล้วลูกหลานของเราก็ได้รับอเนกสงุ่ด้วยแล้วเพื่อนบริวารก็ได้รับอเนกสงุยด้วยดีกว่ามาหาแย่งกันกินไปตามความโลภโกรธหลงอยู่อย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรใครจะได้ยึดครองอะไรว่างในโลกเนี่ยแม้แต่เม็ดดินเม็ดเดียวก็มันก็ไม่ได้ เพราะมันเป็นหลักธรรมชาติที่เกิดแล้วเปลี่ยนแปลงไปหลวงพ่อจึงอยากให้ว่าอย่างน้อยๆให้รีบให้รีบทาความทาใจเนี่ยให้ท่านรู้เนี่ยให้เด่นขึ้นให้ชัดเจนขึ้นให้แจ่มแจ้งขึ้นผู้รู้นี่ไม่ต้องไปตัดสินเขาหรอกว่าอันนั้นไม่เที่ยงอันนี้ไม่เที่ยงขอแต่รักษาใจให้มั่นคงก็พอแล้ว ขันเามันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะพัฒนาไปแล้วเขาก็แตกดับไปเกิดแล้วเขาแตกดับไปจะช้าหรือไวมันก็แล้วแต่เหตุมันประกอบกันหลายอย่างลองทำดูอย่างที่หลวงพ่อพูดเราจะเป็นอิสระเราจะเข้าใจทุกคนนั่งอยู่นี่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเป็นโยมเน่ยคงจะไม่ถึงโยมก็มีหัวใจมีท่าถีกันห้าหมือนกันมีความตั้งใจดีก็ได้มันกันพระไม่ทาก็ไม่ได้ ไม่ใช่หมพระเหลืองแล้วมันจะเป็นธรรมไม่ใช่ไม่มีไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายทา่านรู้เป็นท่านรู้อยู่วันหนึ่งค่าสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์ก็เป็นอารมณ์อยู่วันหนึ่งค่าไม่เปลี่ยนแปลงแต่ไอความหลงนี่สิมันเปลี่ยนแปลงอ่ะเออเห็นไหยเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกสติปัฏฐานทำของใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่เรื่อยๆช่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งไปเรื่อยๆมันก็ค่อยหนาเข้าหนาเข้าหนาเข้า จิตของเราเคยระเลิกสิ่งไหนตั้งมั่นได้นานแล้วก็พยายามระลึกสิ่งนั้นให้มากยางระลึกรู้ว่าเออที่ลิ้นปีเนี่ยใจของเราตั้งมั่นได้ดีก็พยายามระลึกรู้อยู่นั่นหรือช่องท้องหรือหน้าผากอย่างนี้แล้วแต่ท่านว่าฐานของใจพยายามระเลิกรู้พยายามจดจ่อพยายามสังเกต สมถะกับเลวิปัสสนาท่านว่าสมถะและวิปัสสนาก็เดินควบคู่กันไปไม่แยกกันแหละที่นี่บุคคลนั่นจะเดินไม่หลงทางอือันนี้คือหลักการฝึกการหัดการปฏิบัติมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เราจะเข้าถึงได้ด้วยตัวเองพุทธเจ้ายิงกต่บอว่าปัจจตังจะลู่เฉพาะตน เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยๆก็ให้ทุ่มเทบ้างอย่าสักแต่ว่าต้องทําให้ชัดเจนต้องทําให้แจ่มแจ้งต้องทําให้มากคืออดทนให้มากขนาดแม่ทัพเนี่ยเขาว่าขุนศึกเนี่ยถ้าไม่มีความอดทนจะรบเก่งเท่าไหร่ก็ไม่ชนะหรอกถราลายชายถ้าไม่มีความอดทนก็ไม่มีใครนับถือ อยากพูดอะไรอยากด่าใครก็ด่าไปก็ไม่มีใครน้ำถือผู้หญิงเนี่ยแต่งชุด ง, งามๆแล้วไม่มีความอดทนต่อสิ่งที่กระทบนี่ยก็ไม่สวยงามช่างพระราชาแต่งเครื่องยศอลังการถ้าไม่มีความอดทนต่อหอกต่อดา บ, ดบก็ไม่มีสง่าเพราะฉะนั้นนักพจน์หรือนักบวชหรือผู้บําเพ็ญทั้งหลายถ้าไม่มีความอดทนแล้วก็จะไม่เห็นความจริงกิจก็ตั้งมั่นไม่ได้ แล้วจะเอาชนะอะไรได้เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อก็ขออนุมโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลของญาติโยมทั้งหลายที่ได้มานั่งฟังการประพฤติปฏิบัติหลักจิตหลักใจเพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันถึงลูกถึงหลานได้รับความเจริญทุกตนทุกคนเอถธุ